จเจริญัรท่านสาธุชนพุ้ทบบริบสัตรอุบาสุขุบาสุขาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันที่28สิงหาคมพุทธศักราชส5 5พ้อตรงกับวันธรงมารขึ้น15คยห้ากั้งเดือนเก้า เป็นวันพ่ะวันธรรมบัตสวรญะวันสัรมธรรมเป็นวันที่สาธุชนได้มาวัดเพื่อมาชำระรักษาการวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพราะจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง นำมาสร้งความร่มนย็นเป็นสุขกายวาจาใจสะอาดมากน้อยเพียงใดความสุขความจเจริญก็จะมีมากน้อยเพียงนั้นการรักษากายและวาจาให้สะอาดก็ต้องใช้ศีลเป็นเครื่องรักษาการรักษาใจให้สะอาดก็ต้องใช้ภาวนาเป็นเครื่องรักษา สิ่อย่างที่ได้สมาทานไปแล้วเมื่อกีนี้มีอยู่ห้าข้อคือระเว้งจากการฆ่าสัตว์ชีวิตรักษาสัพพิตโตเวนีพูดปกโกเทศเซจุรายาเมลเป็นเครื่องรักษากายกับวาจาให้สะอาดเพราะการฆ่าสัตว์ รักทรัพย์ประพฤติโดยมีพูดโกหกมวดมเท็จเสร่ญามเราจะทำให้จิตใจเศร้าหมองจะทำให้จิตใจไม่สะอาดมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลใจมีแต่ความเสื่อมเสียดังนั้นเราจะต้องรักษาศีลกันส่วนใจเราก็ต้องรักษาด้วยการภาวนา จะรอสติอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ให้มีสติรู้อยู่กับใจให้รู้ว่าใจกำลังคิดอะไรกำลังทําอะไรกำลังอยู่กับการกระทํำของกายหรือเปล่าเช่นเวลาล้างหน้าใจก็ต้องอยู่กับการล้างหน้า เวลารับประทานอาหารก็ต้องอยู่กับการรับประทานอาหารเวลาทำภาวิจิตอันใดก็ตามก็ต้องอยู่กับภาวิจิตอันนั้นถึงจะเรียกว่ามีสติสตินี้เป็นเหมือนอยางที่คอยเข้าดูใจของเราถ้ามียางก็จะรู้ว่าใจของเรากำลังคิดไปในทางไหนคิดไปในทางดีหรือไม่ ถ้าไม่มียาก็ไม่รู้ก็จะคิดไปเรื่อยคิดไปแล้วก็จะสั่งการให้กายกับวาจาทำสิ่งต่างๆออกมาเช่น <g lig> คนที่ไม่มีสติยกตัวอย่างก็คือคนเสสรายาเมาพอเกิดอาการยึเมาแล้วก็ไม่มีคนเฝ้าดูใจ ไม่มีผู้เต้าผู้แใจคือสติก็จะคิดอะไรไปต่างๆนานาคิดแล้วก็สั่งให้ไปทำทางกายทางวาจาแล้วก็เกิดความเสียหายเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเพราะเวลาคิดอะไรก็ทำเลยโดยไม่มีการตัดจองก่อนว่าทำไปแล้วจะเสียหายหรือไม่ จะผิดศีลไม่เพราะขาดสติคอยคอยเฝ้าดูอยู่นั่นเองนดังนั้นการที่จะรักษาใจให้อยู่ในทารนองครองธรรมก็จำต้องมีสติเราจึงต้องฝึกเจริญสติอยู่เรื่อยๆสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในบรรดาธรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเหมือนกับ รอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าของสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดสามารถทอบรอยเท้าของสัตว์อื่นๆได้หมดไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นควายเป็นสิงสาราสัตว์ต่างๆก็จะไม่มีรอยเท้าใหญ่เท่ากับรอยเท้าช้างฉันใดทำต่างๆไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา ก็ดีก็ไม่มีความสำคัญเท่ากับสติเพราะถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถคำทานได้ไม่สามารถรักษาศีลได้ไม่สามารถนั่งสมาธิได้ไม่สามารถพิจารณาธรรมให้เกิดเป็นปัญญาให้เป็นดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้ สติจึงเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง <c oughs> ผู้ที่ต้องการจะรักษาสติอย่างน้อยที่สุดก็ต้องละเว้นจากการเสพสารยาเมาถ้าเสพเข้าไปแล้วก็จะทำให้อาการย์มึนเมาขาดสติแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมใจได้เมื่อควบคุมใจไม่ได้ก็จะไม่สามารถควบคุมกายและวาจาได้เช่นเดียวกัน ก็จะไปทำไปพูดในสิ่งที่เกิดความเสียหายขึ้นมาแล้วก็ต้องไปรับใช้เวรใช้กรรมทั้งในปัจจุบันคือในโลกนี้และทั้งในอนาคตคือเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องไปเกิดในอบายหรือไปจบนโลกไปเกิดเป็นเรื่ฉานเป็นต้นดังนั้น ในบรรดาศีลนทั้งหข้อนี้ข้อเสสรายาเราจึงเป็นข้อที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสินทั้ ง, ท, งทั้งหมดถ้าไม่ถ้าเศสศรายาเราแล้วรักษาสิลนไม่ได้แักข้อหนึ่งแต่ถ้ารักษาถ้าถ้าไม่เศสศรายาเราคือรักษาสิลนข้อที่ห้าได้แล้ว ก็จะสามารถควบคุม บ, บังคับกายวาจาใจให้อยู่ในสิ่งไหนทาได้ดังนั้นในเบริ่มต้นพระพุทธเจ้าเป็นทรงสั่งส อ, งส อ, งสอนให้เราตั้งสติอยู่เรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจเราลอยคิดไปกับเรื่องต่างๆ ท, ที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ดึงใจไว้ให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ เราอยู่ที่ตรงไหนใจเราก็ต้องอยู่ที่ตรงนั้นใจเราอย่าไปอยู่ที่อื่นวันนี้เป็นวันอังคารเราก็ต้องอยู่ในวันอังคารอย่าไปอยู่ในวันพุธหรืออยู่ในวันจันทร์วันจันทร์มันก็ผ่านมาแล้ววันพุธมันก็ยังมาไม่ถึงคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากมีความจำเป็น เช่นต้องวางแผนว่าพวกนี้จะทําอะไรก็ให้คิดด้วยสติคิดแล้วให้เสร็จเป็นเรื่องเป็นราวไปคิดเสร็จแล้วก็หยุดคิดรู้แล้วว่าพวกนี้ต้องทําอะไรก็เตรียมตัวเตรียมเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมสิ่งต่างๆไว้เมื่อเราเตรียมตัวเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันอีกให้กลับมาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้ให้อยู่กับปัจจุบัน กำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการกระทำนั้นๆกำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินกำลังนั่งก็ให้อยู่กับการนั่งกำลังพูดอะไรก็ให้อยู่กับการพูดถ้าเราทําอย่างนี้แล้วเราก็จะมีสติเราก็จะรู้อยู่ทุกขณะว่าเรากำลังคิดอะไรกำลังพูดอะไรกำลังทำอะไรแล้วเราก็จะได้แยกแยะ ได้ว่าพูดดีคิดดีพูดดีทําดีหรือไม่ถ้าคิดไม่ดีก็เีือกสงับดับความคิดนั้นแล้วจะได้ไม่ต้องไปพูดและไม่ต้องไปทําถ้าปล่อยให้ความคิดออกมาทางวาจาทางกายแล้วก็จะเกิดความเสียหายตามมาต่อไปได้เช่นเรามีความโกรธ เราอยากจะด่าคนนั่นคนนี้อยากจะทุบข้าวของอยากจะทําลายสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะระบายออกมาเราก็จะพูดสิ่งที่เสียหายจะทําลายข้าวของต่างๆแล้วพอเราได้สติทีหลังเราก็จะมาเสีย อ, อกเสียใจว่าเราพูดไปทำไมเราทําไปทําไม พูดไปแล้วทาไปแล้วก็จะมีแต่ความเสียหายคนที่เขาถูกเราด่าเขาก็จะโกรธเขาจะเาก็จะเกลียดเราถึงของที่ถูกทำลายไปก็เสียหายก็ไม่สามารถเอากลับคืนมาให้เป็นเหมือนเดิมได้แต่ถ้ามีสติคอยเฝ้าดูอยู่ที่ใจอยู่ที่ความคิดของเรา พอรู้แล้วว่ากำลังโกรธก็ต้องบอกตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังมีอารมณ์เรากำลังไม่ไม่ปกติความโกรธนี้จะหลอกให้เราพูดในสิ่งที่ไม่ดีจะหลอกให้เราทำในสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นเวลาถ้าเราจเนนรดด า, มม า, าจเป็นต้องพูดอะไรก็พูดด้วยสติด้วยความระมัดระวังถ้าไม่จำเป็นต้องพูดไม่ต้องทำอะไรก็อย่าไปพูดอย่าไปทำ แล้วจะได้ไม่เกิดความเสียหายตามมาในภายหลังนี่คือวิธีรักษาใจด้วยสติแต่สติเพียงอย่างเดียวก็ไม่พอต้องมีปัญญามีสมาธิด้วยปัญญานี้จะเป็นตัวแยกแยะให้เรารู้ว่าอะไรสิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรพูดควรทำ อะไรไม่ควรพูดไม่ควรทํา <c oughs> ถ้าเรามีสติแต่เราไม่มีปัญญาเราก็รู้ว่าเรากําลังจะพูดอะไรแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นถูกหรือผิดควรหรือไม่ควรอย่างไรถ้าเรามีปัญญาเช่นวันนี้เรามาวัดเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ได้ปัญญาขึ้นมาเรารู้ว่าการฆ่าสัตว์การพูดกห การลักษรัพการกระพุ้ิผิดจริยธีรการเสพสายาเราเป็นการกระ ท, ทำที่ไม่ดี <c oughs> เมื่อเรารู้แล้วต่อไปเวลาใจของเราคิดจะทำ <c oughs> เราก็จะได้มีปัญญาบอกให้เรารู้ว่านี่เป็นการกระ ท, ทำไม่ดีผิดศีลผิดธรรมเราก็จะไม่กระทำได้ ถ้าเราไม่มีปัญญาเช่นคนบางคนไม่รู้ว่าการฆ่าสัตว์กับชีวิตนี้มีโทษทั้งปัจจุบันและอนาคตเมื่อทาไปแล้วก็จะต้องไปใช้เวงใช้กรรมต่อไปแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ยินพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าเราก็จะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชัว่ว ดังนั้นเราจริงต้องให้ความสนใจต่อการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆมีโอกาสในเวลาอย่างน้อยที่สุดวันพระก็ควรที่จะฟังเทศฟังคักันสักครั้งหนึ่งถ้าไม่สามารถเข้าวัดได้ก็หาธรรมะไปที่บ้านเปิดเทปฟังเปิดโทรทัศน์ดูเปิดหนังสืออ่าน เพื่อจะได้มีอะไรเป็นเครื่องเสริมสติปัญญาให้เรามีความรู้มีความฉลาดเพื่อเราจะได้แยกแยะความคิดของเราว่าดีหรือไม่อย่างไรความคิดของเรานั้นถ้าไปในทางโลกทางโสดทางทางหลงแล้วถือว่าไม่ดีทั้งนั้นความโลกไม่หมายถึงความอยากได้ในสิ่งที่ไม่จําเป็น ถ้าเป็นสิ่งที่จาเป็นไม่ถือว่าเป็นความโลกเช่นอยากจะรับประทานอาหารอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลกเพราะต้องรับประทานอาหารแต่ถ้าอยากรับประทานอาหารมากๆเกินความต้องการของร่างกายอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นความโลกหรืออยากจะกินอาหารช น, นชนิดนั้นชนิดนี้จะต้องถับลถไปถึงที่ร้านนูรานนี้ อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นความโลกเป็นกิเลสถ้ากินแบบตารความต้องาความต้องการของร่างกายก็มีอะไรก็กินไปตามมีตามเกิดถึงจะไม่เป็นกิเลสความโกรธก็คือเวลาที่เรามีความรุ่มร้อนใจเวลาที่ใครพูดอะไรทำอะไรที่เราไม่ถูกปกถูกใจเราก็ต้องรู้ว่าความโกรธ น, นี้ไม่ดี เราต้องรู้จักวิธีระนับความโกรธสิ่งที่จะรับนับความโกรธได้ก็คือธรรมะคือการให้ถภัยไม่จองเวจองกรรมกันถือว่าเป็นการใช้หนี้เก่าใช้เนใช้กรรมไปเราเคยทำเขามาก่อนเขาถึงต้องมาทำเราแต่เราจะไม่ตอบโต้ไป เพราะจะทำให้เรื่องมันยาวไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราตอบโต้กลับไปเขาก็จะตอบโต้กลับมาน้ำพุ่นน้ำพุ่งหยดหนึ่งก็จะกลายเป็นสงคารามล้างเาผ่าพันธุ์ได้แต่ถ้าเราให้อาภัยได้ปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นเรื่องต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วใจของเราก็จะสงบเย็นมีความสุข ถ้าเราตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาใจของเราก็จะยิ่งร้อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีความทุกข์ทรมานใจเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราเห็นโทษของความโกรธว่าเป็นฟืนเป็นไฟเป็นเหมือนนรกในจิตใจของเราแล้วเราต้องอย่าส่งเสริมความโกรธความอาฆาตขยบาท เราต้องรงับมันด้วยการไม่จองเวรจองกรรมด้วยการให้อภัยเมื่อเราให้อภัยได้แล้วใจของเราจะสงบเย็นก็เป็นเหมือนสวรรค์นี่คืออนิสมของการให้อภัยการไม่ถือโทษจทษเทิงผู้อื่นทำให้เราได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าเราอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมก็จะทำให้เราตกนรก อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเห็นโทษของความโกรธแล้วพยายามดับมันด้วยการให้อภัยอย่าส่งเสริมมันคิดเแียว่าอะไรมันก็เกิดอะไรที่เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นไปแล้วเราย้อนกลับไปไม่ได้เช่นถ่วยมันแตกแล้วจะทำให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เสียของแล้วอย่าไปเสียใจ เสียอย่างเดียวก็พออย่าไปเสียสองอย่างขาดทุนใจที่เราสามารถรักษาไม่ให้เสียได้เมื่อเราไม่เสียใจแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้วเรายอดจับไปในอดีตไม่ได้เรากลับไปเมื่อวานนี้ไม่ได้แต่เราสามารถอยู่เหมือนเมื่อวานไม่ได้คือเราอยู่อย่างมีความสุขได้ ถ้าเราดูเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหน้าตั้งตาดูแลรักษาใจของเราให้สงบให้เยน็นให้สบายแต่ตรงทีเราก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสมาธิกา่าสมาธินี่คือความสงบของใจนั่นเองเวลาที่เราโก้วเรารู้ว่าความโกนี้ไม่ดีแต่เราละนับความโกไม่ได้ก็เป็นเพราะว่า ใจเราไม่มีเบรคถ้าเป็นรถยนต์ก็รู้ถ้าขับรถจนไปถึงสี่แยกไฟแดงถ้าต้องหยุดรถแต่ไม่มีเบรครถก็จะต้องวิ่งไปชนกับรถคันอื่นเพราะไม่มีเบรคนั้นใดใจของเราก็ต้องมีเบรคเหมือนกันต้องมีสมาธิเป็นตัวเบรคใจถ้ามีสมาธิแล้วเวลาเราโปดเราก็จะรับ ระนับความโลดได้เวลาเราโลกเราก็จะระนับความโลภได้ดังนั้นนอกจากมีสติแล้วมีสมะมีปัญญาแล้วเราก็ยังต้องมีสมาธิด้วยเราต้องฝึกทำจิตใจให้สงบนิ่งต้องหยุดความคิดของเราให้ได้เพราะความคิดนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราพอเราคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจ เราก็สันความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเราหยุดความคิดนั้นได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเราก็จะลืมเรื่องนั้นไปแล้วเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจเพราะพุทธเจ้าสอนให้เราหัดทำสมาธิด้วยการ ล, ลําลึกหรือคิดแต่ธําว่าพุทโธพุทโธไปในใจเวลาเรารู้เสร็จไม่สบายอกไม่สบายใจกับเรื่อง น, นั้นเรื่องนี้ อย่าไปสนใจอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้กลับเข้ามาหาพุโทโธให้คิดแต่คําว่าพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆคิดไปเรื่อยๆอย่าให้มันกลับไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจถ้าเรามีกําลังดึงใจให้อยู่กับพุโทโธไปได้เดี๋ยวไม่นานใจก็จะเลิมเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจและใจก็จะสง บ, บตัวลง แล้วก็เยนสบายแล้วเราก็จะเห็นโทษของความคิดของเราว่าความทุกข์ใจของเรานี่มันเกิดจากความคิดของเราทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากอะไรเลยสิ่งต่างๆในโลกนี้เขาก็มีท้าก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้ถ้าใจเราไม่ไปคิดถึงเขาแต่อย่างมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใจเช่นเราอยู่ที่นี่ตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่อยู่ที่บ้านของเรา เราตอนนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่บ้านของเราเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าใจของเราไม่ได้ไปคิดแต่ถ้าเราหดตังวลไม่ได้ว่าตอนนี้ที่บ้านของเราปลอดภัยหรือเปล่ามีขโมยขึ้นบ้านหรือเปล่ามีไฟไหม้บ้านหรือเปล่าพอเราคิดอย่างนี้ ท, ทั้งที่ยังไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นเลยมันก็ทาให้เราไม่สบายใจแล้ว นี่ละคือความทุกข์ใจเป็น อ, อย่างนี้ความทุกข์ใจเกิดจากความคิดของเราแล้วเราก็ไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะหยุดความคิดของความคิดได้เราก็เลยต้องทุกข์ทรมานใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเคยสุดทําสมาธิเคยสุดคิดอยู่กับพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวเวลาเกิดความไม่สบายใจ ก็คิดแต่คาว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยเร่เดี๋ยวใจก็จะเริมเรื่องต่างๆที่ทำให้ไม่สบายใจพอหายจากไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเฉยๆอะไรจะเกิดก็เกิดไปก็จะมีปัญญารู้ว่าเราไม่มีเราไม่มีอำนาจที่จะไปห้ามสิ่งต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นได้เราอยู่ตรงนี้ถ้าตรงนี้นเขาจะมีอะไรเกิดขึ้น เราก็ไปหยุดยัง้งเขาไม่ได้มันก็ต้องเกิดอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแต่อันใดที่เราป้องกันได้เราดูแลได้เราก็ทํากันไปไม่ได้ให้ปล่อยทั้งหมดเลยอันไหนเราดูแลรักษาได้เราก็ดูแลรักษาไปแต่ถ้าเราดูแลรักษาไม่ได้เช่นตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราดูแลรักษาบ้านของเราตอนนี้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไป อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วใจของเราจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องอไรั้สา้ะเพราะความทุกข์นั้นเกิดจากใจเราไปคิดถึงมันเองเวลาพอมันคิดแล้วสร้างความทุกข์ขึ้นมาเราก็มีเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ได้เราก็มีสมาธิหยุดใจได้ยับยั้งใจได้เวลาโกรธก็ให้อภัยได้ ไม่จองเลงจองจำได้เว <c oughs> ลาโลกก็ไม่ไม่อยากเอาก็ได้เพราะรว่าเอามาก็เท่านั้นมีเหลือกินเหลือใช้แล้วเอามาทำไมเนะท่า น, นี้เราก็สามารถที่จะควบคุมดูแลใจของเราให้เป็นปกติได้ให้สงบนิ่งได้เมื่อใจของเราได้รับการดูแลแล้วเราก็ไม่ต้องดูแลกายวาจวาจก็ได้ เพราะเมื่อใจมันดีแล้วกายกับวาจา ก, ก็จะดีตามเวลาใจคิดดีแล้วการพูดการกระทำก็จะดีตามแต่ถ้าใจไม่ดีการพูดการกระทำก็ไม่ดีดังนั้น <c oughs> เราจึงต้องดูแลใจเป็นหลักแต่ถ้าเรายังไม่สามารถดูแลใจได้ <c oughs> ก็เรายังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิไม่มีปัญญา เราก็ต้องดูกายดูวาจาไปก่อนด้วยการรักษาศีลอย่างเช่นวันนี้เราก็รักษาศีนทั้งห้าข้อนี้ไว้ให้ดีก็แล้วกันอย่าไปเสพสารอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดอะไรีอย่าไปพูดปดมดเถรถถึงแม้ยังมีความอยาความโกรธอยู่ก็ไม่ ให้มันอยู่ในกรอบของสินจะอยากได้อะไรก็จะไม่ไปทำผิดสินจะโกรธใครอะยไรก็จะไม่พุดไม่ไปทำผิดสินถ้าอย่างนั้นแล้วก็จะไม่มีผลเสียหายตามมาแต่ถ้าเรารักษาใจได้แล้ ว, ลวใจเราได้แล้วก็ถือว่าเรามีศินโดยเป็นธรรมชาติคือใจนี่แหละเป็นตัวที่ เป็นศีลที่แท้จริงพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรักษาใจเกียงตัวเดียวท่านก็สามารถรักษาสทิทุกข้อได้เพราะใจเป็นผู้ผู้พูดและผู้กระทำถ้าใจดีแล้วก็ถือว่ามีศีลอยู่ในตัวดังนั้นถ้าเรามีความสามารถที่จะเจริญสติได้มีปัญญาที่จะแยกแยกได้ว่า อะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วมีสมาธิที่จะยับยั้งจิตใจให้สงบไม่ให้วูดวายไม่ให้ไปพูดไปทาในสิ่งที่ไม่ดีได้ก็ถือว่าเรามีสิ่ครบถ้วนบริบูรณ์เช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีสิ่ครบถ้วนบริบูรณ์ตลอดเวลาเพราะใจของท่าน มีความสะอาดบริสุทธิ์ตลอดเวลาไม่มีความโลภความโกรธความหลงถ้าไม่มีแล้วก็ไม่มีเหตุที่จะท้ายไปทำผิดศีลผิดธรรมนี่คือการชำระรักษากายวาจาใจถ้าเราสามารถชำระรักษาใจได้อย่างเดียว เราก็จะรักษากายาวาจาได้แต่ถ้าเรายังรักษาใจไม่ได้เราก็ต้องรักษาชำระ ก, กายวาจาไปก่อนจนกว่าใจจะมีกําลังพัฒนาสติสมาธิและปัญญาขึ้นมาจนสามารถรักษาใจได้ถ้ารักษาใจได้แล้วจะสมาทานรักษา เจอพม า, าสารศีหรือไม่ก็ตามก็ไม่สำคัญเพราะใจจะไม่ไปทาถึ่นศีงอยู่แล้วนี่คือเรื่องของการรักษากายวาจาใจสำคัญที่สุดก็คือการรักษาใจรักษาใจแล้วกายกับวาจาก็จะไ้รักษาดูแลรักษาไปในขณะเดียวกันแต่ถ้ายังไม่สามารถรักษาใจได้ ก็ต้องรักษากายกับวาจาไปก่อนปลดให้ใจมันวุ่นวายไปก่อนให้มันโลภให้มันโกรธให้มันหลงไปก่อนแต่จะไม่ให้มันไปทำผิดศีลผิดธรรมเพื่ออย่างน้อยที่สุดจะได้ไม่เกิดโทษเกิดปัญหาตามมาเช่นเรายังโลภยังอยากเล่าอยากรวยอยากจะมีสมบัติท่าของเงินทอเราก็ให้มันโลภไป แต่ไม่ให้มันไปทำผิดศีลผิดธรรมถ้าเรารวยแบบนี้เราก็จะไม่ก็จะไม่มีโทษตามมาแต่ถ้าเรารวยกพรเราไปทำผิดศีลผิดธรรมอย่างนี้มันจะมีโทษตามมาตายไปเราจะต้องไปใช้เวรใช้กรรมจะต้องไปตกน้ำลึกต้องไปเกิดเป็นเดราาัจฉานดังนั้นถ้าเรายังไม่สามารถรักษาใจได้ไม่ให้โลภไม่ให้โสดไม่ให้หลง เราก็ต้องรักษากายกับวาจาให้ได้ด้วยการรักษาศีลเพื่อจะได้รักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ตายไปเราจะได้จับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือได้เกิดมาเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลแล้วพอเราตายไปเราก็จะต้องไปเกิดในนบายซึ่งไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้มาเลย สมบัติข้าสองเงินทองเราได้มามากน้อยเพียงใดพอเราตายไปมันก็กลายเป็นของคนอืนไปเราไม่สามารถเอาติดตัวไปได้สิ่งที่เราเอาติดตัวไปได้ก็คือบุญกรรมท่านั้นเองกรรมก็คือบาปที่เราทำที่เราละเมิดสิ่งข้อต่างๆบุญก็คือการรักษาสิ่งนี้เองไม่ทำไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยวิธีการต่างๆ ดังนั้นจึงขอให้เราให้ความสําคัญต่อการดูแลชําระกายวาจาใจของเราให้สะอาดพยายามทําอยู่ทุกวันไม่ใช่ไม่ใช่ทําแต่เฉพาะวันพระแต่วันพระเป็นวันพิเศษเราจะทํามากกว่าปกติเพราะการการกระทาของเรานั้นเราทําอยู่ทุกวันและเรามักจะทํา ให้ใจนั้นเกิดความสกบสกบเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาถ้าเราลองมาชำระเพียงในวันพระวันเดียวก็จะไม่พอเพียงเราต้องพยายามชำระดูแลภายวาจาใจทุกๆวันเลยแล้วใจของเราจะได้เป็นใจที่จะอาเป็นใจที่ดีมีความคิดดีแล้วก็จะพูดดีทำดี แล้วก็จะทำให้มีแต่ความน่่มเย็นกันสุดมีแต่ความเจริญจึงขอฝากเรื่องการดูแลรักษากายวาจาใจนี้ให้ท่านได้นำไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้